ในช่วงคุยธรรมะตามตอบธรรมะในวันนี้ต้องให้ท่าน ในธรรมวินัยนี้เนี่ยเอ่อพูดถึงคําสั่งปุริเจ้าเนี่ยบางทีสอนเนี่ยเพื่อที่จะให้หรือว่า อ่ะน้ำมีประมาณเท่านี้เอ๋าน้ำมัน ในสภาพความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ในใจของเราเอายกตัวคือเรื่องของออกดังอย่างพระอรหันต์ ในช่วงที่ฝนมันตกอยู่แต่ว่าความทุกข์ในใจออกเราไม่ได้เอาตรงอื่นออกงั้นจุด 1 ที่จะเป็นคุณธรรมที่คุณจะต้องฝึกต้อง ในสัมภาระต่างๆที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อความเจ็บปวดนะที่แทบ นะท้าวสักกะเทวราชนี่ก็คือเป็นพระอินทร์นี่แหละนะพระอินทร์ ท้าวสักกะเทวท้าวเวปจิตแต่ท้าวเวปจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าของนั้นในชั้นดาวดึงส์ก็คือท้าวสักกะเทวราชนั่นเองพระอินทร์นั่นเองนะคือในสวรรค์ชั้นดาว 2 ฝ่ายนะฝ่ายดีก็มีฝ่าย นะท้องฟ้านี่จะมืดคลึ้มไปเลยนะพระ และทุกคนหมดหน้าตักกันละอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็หมดพวกกองกําลังกองทหารแรงต่างก็ไล่แล้วทุกคนในสงครามครั้งนั้นเอ่อฝ่ายทามเวียปจิตซึ่งเป็นหัวหน้า บอกว่าเอางี้แหละพวกเราทั้งหลายถ้าคราวนี้เราบอลเข้าห้ำหั่นกัน ท้าวเวปจิตมาเหนชับท้าวเวปจิตมา เอ่อท้าวสักกะเทวราชเป็นฝ่ายชนะนะท้าวเวปจิตเป็นฝ่าย เป็นเหมือนกับที่อยู่ของพระอินทร์แห่งหนึ่งที่สร้างไว้เนี่ยสําหรับฝั่งธรรมะ 2 ข้างเนี่ยรัดไว้ที่ขา ตึงมา 5 จุดเนี่ยที่จุด 5 จุดเนี่ยเอ่อถ้าเป็นประสิทธิ์ก็ถูกล็อกมา 2 ข้างล็อก 2 ข้างแล้วก็ล็อกคอ ขยับได้อย่างเดียวทางฝั่งนั้นคือปากนั่นเองขยับได้แต่ปากเท่านั้นและพ่อหินเท้าสกะเทวราชเท่านั้นแหละแม่ทางฝั่งมันก็ ด่า ฉنين ที่เรียกว่าเห่าหัวที่ไหนนะคุณมาด่าหมดไม่ใช่ด่าเฉพาะตัวคนเดียวนะแล้วก็ด่าเป็น น่ะไม่ได้ด่าครั้งเดียวด่าต่อเนื่องเห็นที่ไรด่าทุกทีเห็นที่ไรด่าพอขับรถผ่านไปผ่านมา นะก็เลยยังรู้สึกว่าอื้อหือมันน่าจะๆคนเอ่อก็เลยไปถามท้าวสักกะเทวราชท่านฝั่งไปถาม เป็นวาจาของฮะสันบุรุษเป็นวาจาหยาบคายไร้กาลยังนิ่งเฉยอยู่ ธรรมรีนตามนี้บอกว่าที่ว่าเรานิ่งอยู่ แต่คือไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญาหรือเราโหไม่ใช่เพราะว่ากลัวไม่ใช่เพราะว่าไม่มีปัญญาจึงไม่ คนพานี่ครับพระองค์เห็นว่าจะต้องยิ่งจัดการคน ท้าสกะเทวราชไปบอกว่าคนพาลนี่เราต้องจัด เมมอันมาตมาอันได้เสด็จเวนดาสาวสกะเทวราชเนี่ย แต่ว่านิ่งอยู่เพราะกลัวยิ่งจะข่มขี่เราหนักมากขึ้นนะเหมือนโคตัวที่ชนะเนี่ยข่มขี่โคตัวที่แพ้นั่นว่าอย่างงี้ก็แต่ ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเป็นการเอาชนะรับการรักษานะการเอาชนะของคนผ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็น ก็มีทั้ง 2 อย่างคือขันติและโสรัจจะนั่นคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมเราก็สรุปให้ฟังว่าภิกษุในต้องมีความงดใช่เราจะ เช่นแห่งอตถจารย์มหาวาจาหยาบคายไร้กาลขนาดไหนขณะพระแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความอดทนอดทนต่อวาจาหยาบคายไร้กาล ได้ทําแล้วอย่างน้อยจิตจัง